ฟ้าก็ทาสีดำและสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำคือคิดถึงเธอใจฉันเหมือนนกคอยบินไปนอกหน้าต่างเสมอ มีใครเขาแอบเผยความในใจเป็นตัวหนังสือไทยคำว่ารักฉันคิียนให้เธอโดยไม่หาเรือบางครั้งฉันยังฝึกเปลือบอกรักเธอหน้าตูกระจบเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบาง ฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไหร่นอฉันจะได้ เ, เรียนที่อยอดกระพุกฉัน